บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปมานพสิบ1กคนที่มากราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดวยลำดับท่านมาถึงท่านจจตุกันนีมานพท่านได้เริ่มต้นด้วยคำกราบทูลว่า ข้าพระองค์ได้สดับมาว่าพระองค์เป็นผู้แกล้าเป็นผู้ไม่ใครในกามทั้งหลายเป็นผู้สิ้นตัญหาเหตุนั้นข้าพระองค์จึงได้มาฝ้าพระองค์เพื่อให้โปรดบอกทางแห่งสันติหรือสันติบท การสดับข่าวคราวของพระพุทธเจ้านั้นก็คือข่าวคราวที่แพร่กระจายไปในชงภูทวีปดยการบอกเล่าจากปากสู่ปากถ่ายทอดกันเสือไปตามนยะแห่งพระพุทธคุณที่ว่าแม้ประเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์สัตรูดีศัตรูชอบด้วยพรุงเอง ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกวา่าเป็นผู้รู้เป็นผู้จาแนกธรรมซึ่งก็หมายความว่า เกติคุณเหล่านั้นได้แพร่ไปตามนิยะแห่งพระพุทธคุณที่สวด ส, สันเสริญกันนั่นเองนิยะของพระพุทธคุณนั้นถ้าหากว่านำมาเพียงสวดก็จะได้อนุสติได้ความสงบในชั้นของการสวดแต่ถ้านำไปพินิจพิจารณาตามนิยะความเข้าใจของท่านจตุกันนีเกิดจะพบว่า ในที่นั้นไม่ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้กราหารเป็นผู้ไม่ใครในกาลทั้งหลายหรือเป็นผู้สิ้นตัญหาแต่ประการใดแต่ท่านอาศัยนิยะความเข้าใจจากการเพ่งพินิจพิจารณาถึงพระพุทธคุณแต่ละบทโดยเฉพาะก็คือบทว่าอารหงังที่แปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสและวาสนา เป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏเคือวิชาตันหาประธานกรรมเป็นผู้ควรไหว้ควรสักการะบูชาของบุคคลทั้งหลายท่านจตุ ก, กันนีก็พิจารณาจากในยะข้อนี้และพระพุทธคุณบทอื่นๆจึงมาสรุปคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าออกไปเป็นสามประการเฉพาะในตอนนี้ ตอนนี้ในเชิงของการศึกษาพิจารณาและปฏิบัติแล้วผู้ศึกษาพิจารณาปฏิบัติก็จะเข้าใจชัดว่าคุณสมบัติทั้งสามประการนั้นเป็นเหตุผลที่ต่อเนื่องถึงกันความเป็นวีระที่แปลว่าผู้กล้าหานั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจา ก, กจิตซึ่งไม่มีกิเลสไม่มีตัณหา การที่จิตไม่มีกิเลสไม่มีตัณหานั้นก็ให้เกิดผลภายในใจคือไม่ใครในกามทั้งหลายในใจของบุคคลไม่ใครในกามทั้งหลายอยู่ใจของบุคคลนั้นก็ย่อมจะมีความแกล้วกล้างดังนั้นในการประพฤติปฏิบัติในแต่ละระดับในแต่ละระดับนั้นผู้ปฏิบัติสามารถที่จะน้อมนํา มาประพฤติปฏิบัติซึ่งอาจจะมองจากปลายเป็นตัวกระตุ้นคือมองจากความวิระที่แปลว่ากล้าหาญเป็นตัวกระตุ้นหรือมองจากต้นตอคือตัหาซึ่งเป็นเครื่องที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอันังเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ตามที่ทรงตอกย้ำก็เน้นไว้ในที่ต่างๆผลก็จะบังเกิดขึ้นในสัดส่วนดอก น, นั้นเพราะลักษณะถ้อยคำเช่นนี้เป็นการกล่าวแนวเดียวกับอริยสัจทั้งสี่ประการคือเฉพาะข้อนิโรธกับข้อมรักและข้อสมุทยัยคือเป็นการการกล่าวถึงผลก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุ าการพูดถึงผลก่อนนั้นจะมีลักษณะกระตุน้นเตือนให้บุคคลเกิดฉันทะอุตสาหะที่จะสืบสาวไปหาเหตุเพื่อให้เกิดผลเช่นนั้นในกรณีที่เป็นผลซึ่งตนต้องการและสืบสาวไปหาเหตุเพื่อจะดับเหตุเช่นนั้นในกรณีที่ผลซึ่งตนไม่ต้องการตัวคำเหล่านี้จึงกลายเป็นโบหารในการพูดการแสดง เฉพาะในที่นี้จะพูดมาโดยลำดับคือคำว่าวีระท่านสาธุชนผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะคงนึกออกว่าพระพุทธเจ้านั้นบางครั้งท่านเรียกว่ามหาวีระคือผู้กล้าหาญอย่างจริงตัวคำในลักษณะแสดงถึงความกล้าหาญเช่นมารวิชัยชนะมารหรือผู้พิชิตมารเป็นต้นโดนแล้วจะเป็นการแสดงถึงความกล้าหาญทั้งนั้น แต่ความกล้าหาญในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพิชิตชนะบุคคลทั้งหลายหรือผู้ที่เป็นคาาศึกศัตรูต่อตนเพราะการชนะในลักษณะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ยกจ้องสรรเสริญเนื่องจากเป็นที่ตั้งของเวรภัยบาปอกุศลด้วยประการต่างๆแล้วยังทำตัวเองให้ตกต่ำไปทั้งด้านพฤติกรรมและในด้านจิตใจ ตั้งเป็นความชนะที่อาจจะกลับแพ้ได้ชาวโลกอาจจะต้องการปรารถนาชัยชนะในลักษณะนั้นแม้จะเห็นกันอยู่ประจากแจ้งแก่ใจการทุกสมัยว่าการเอาชนะข้าคารกับบุคคลอื่นนั้นเป็นการสร้างเวรภัยต้องระมัดระวังเวรภัยและในที่สุดก็จะกลับเป็นผู้่พยแพ้บนเส้นทางแห่งความชนะแพ้แพ้ชนะนั้น มีบาปอกุศลเกิดขึ้นเป็นนั้นมากพระบุรีราภาคเาจ้าวจึงทรงยกจ้องการชนะตนว่าเป็นการชนะอันประเสริฐเป็นการชนะที่ดีจริงๆอย่างนิยะแห่งธรรมปาสิติว่าอัตตาหเวชิตังสยโยชนะตนนั่นแหลเป็นการดีเพราะเป็นชัยชนะที่ไม่กลับไพ้แพ้ เป็นการชัยชนะที่ยกตนเองขึ้นมาจากกองบาปกองกุศลโดยลําดับแม้จะต้องแปดเปื้อนด้วยบาปด้วยกุศลอยู่บ้างก็จะลดน้อยลงไปใจจะมีความสงบเพิ่มขึ้นมีความสว่างเพิ่มขึ้นโดยผลของการปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแต่นั้นโดยพื้นฐานโ ท, ทั่วไปบุคคลสามารถอาศัยนิยะแห่งความเป็นวีระของพระพุทธเทจ้า ในขั้นของการน้อมรำลึกเป็นอนุสติในขั้นของการพินิษพิจารณาเพื่อเสริมสร้างศรัทธาภาษาทะและในขั้นของการน้อมนํามาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในการ ด, ดําเนินเพื่อเสริมสร้างความกระหายให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนดนั้นโดยพื้นฐานที่เป็นหลักใจพระเจ้าทรงแสดงว่า คนที่ชนะคนที่กล้าหาญในการกระทำความดีนั้นเป็นคนที่ควรยกย่องสรรเสริญแต่ว่ากล้าในการกระทำความชั่วเป็นคนที่ควรแก่การตำหนิเพราะในคติไทยเราจึงมีถ้อยคำอยู่ประโยคหนึ่งที่เราพูดกันว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนั้น หมายถึงการเอาแพ้เอาชนะค่าขานกันในด้านการต่อสู้แบบชาวโลกมีการกระตุ้นมีการยั่วยุมีการ ย, ยั่ยวยวนด้วยประการต่างๆแล้วบุคคลก็อดทนต่อเรื่องเหล่านั้นได้อดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นได้มองในสายตาของชาวโลกคล้ายๆกับไพ่แพ้ แต่ในแง่ของพระพุทธศาสนาเป็นชนะนการพูดโดยโวหารของชาวโลกจึงกลายเป็นพระหรือแพ้เป็นพระแต่ส่วนการเอาชนะการเบียดเบียนปทุสร้ายการนั้นในวหารทางศาสนาถือว่าแพ้ต่ออานาจของกิเลสต่ออานาจของอารมณ์แต่มาพูดโดยโวหารของโลกเราก็เขาก็ถือว่าชนะตั้งก็ถือว่าเป็นอาการของมานคือชนะเป็นมาน ในแนวของพระพุทธศาสนายกย่องสันเสริมการชัยชนะตนเองก็หมายถึงการชัยชนะกิเลส ช, ชนะต่ออารมณ์ต่างๆซึ่งตามปกติแล้วภายในจิตใจของเราเป็นสนามการต่อสู้ระหว่างกุศลธรรมะกับอกุศลธรรมะคือกุศลกับอกุศลจะมีการต่อสู้กันอยู่เนืองนิดต่อสู้กันอยู่สม่ำเสมอเป็นการรบยืดเยื้อยาวนาน สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลในสังสารวัตรเป็นอันมากในชั้นของสังสารวัตรแสดงว่าการต่อสู้ระหว่างกุศลกับอกุศลภายในใ จ, จิตใจของบุคคลนั้นบางครั้งคนก็ชนะบางครั้งคนก็แพ้พระเจ้าจึงทรงแสดงในรูปของสังสารวัตรได้เห็นว่าบุคคลที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรนั้น มีลักษณะเหมือนโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศบางครั้งก็ปลายลงบางครั้งก็โค่นลงบางครั้งก็กลางลงคนเราที่ตายจากโรคอะไรก็ตามบางครั้งตายจากโลกนี้มาเกิดในโลกนี้ตายจากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นตายจากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้จะหมุนวนกันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเมื่อเรามอง เห็นเป็นเชิงร right. ูปธรรมเช่นนี้ถ้ามองเข้าไปถึงพื้นจิตใจของบุคคลก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านภพชาติของสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏนั้นการที่บุคคลเกิดในตายจากภพชาติที่ต่ำไปเกิดในภพชาติที่สูงก็หมายความว่าบุคคลนั้นได้ชนะต่ออำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์ได้เป็นอันมาก จนสามารถเพิ่มภูนิบุญกุศลให้สูงขึ้นภายในจิตใจขางตนกลายเป็นกุศลกรรมที่นำไปสู่สุคติแต่บางครั้งบางคราวจิตใจของบุคคลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอกุศลทุจริตมากกระทาให้จุติจากภพที่สูงมากลายเป็นภพที่ต่ำมองในแง่ของชีวิตปัจจุบันในเชิงที่เป็นความเคลื่อนไหวเป็นรูปร่างกาย เร็นว่าชีวิตของบุคคล น, นั้นได้สุขได้ทุกข์ไปตามการกระทาของตนเองบางครั้งก็อาจจะติดคุกบางครั้งได้เกียรติยศชื่อเสียงบางครั้งก็ถูกตำหนิบางครั้งก็ไม่ขึ้นไม่ลงอะไรจะเป็นการแสดงให้เห็นในส่วนลึกของจิตใจที่เป็นเหตุให้กระทากรรมนั้นๆว่าเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้วิถีชีวิตของบุค ค, คลหักเขขึ้นขึ้ น, นลงลงจ ในชั้นของชีวิตประจําวันบุคคลก็จะมองเห็นถึงกริยาความเคลื่อนไหวของคนที่ไม่อยู่ไม่คงที่คือจะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นๆล ง, ลงอยู่สม่ําเสมอเช่นในการบําเพ็ญความดีตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธิบางครั้งอาจจะนั่งได้นานบางครั้งอาจจะนั่งได้น้อยบางครั้งสงบบางครั้งไม่สงบบางครั้งสงบมากบางครั้งสงบน้อย ถ้ามองให้ซึ่งลงไปก็จะเห็นว่าตัวการใหญ่จริงๆอยู่ที่จิตซึ่งถูกปรุงด้วยกุศลหรืออกุศลปรุงด้วยอะไรมากการเคลื่อนไหวต่างๆของบุคคลก็จะไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นมากคนบางคนจึงมีความเคลื่อนไหวไปในครองของอกุศลต่อเนื่องบางคนก็เคลื่อนไหวไปในครองของกุศลในลักษณะที่ต่อเนื่องเหมือนกัน เราดูนชั่นของขณะจิตก็จะเห็นเป็นเช่นเดียวกันคือจิตจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะมีเจตสิกที่เป็นกุศลเกิดขึ้นปรุงจิตได้นานๆก็มีแต่บางครั้งก็อยู่ไม่ได้นานแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอาการทั้งหมดนั้นที่จริงมาจากสิ่งเดียวกันคือกุศลหรืออกุศลนั่นเอง แต่ก็หักเหชีวิตของบุคคลในทัดสายไปในรูปแบบต่างๆดังนั้นในการดำรงชีวิตของบุคคลพระพุทธศาสนาก็พยายามเน้นให้คนเสริมสร้างจิตใจของตนเองให้มีความมั่นคงไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆมากจนเกินไปบางครั้งทรงใช้คำว่าอดทน เช็นอดทนต่อรูปอดทนต่อเสียงอดทนต่อกลิ่นอดทนต่อรสอดทนต่อปุถะพระคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหยุเดเหน๋ยวแล้วทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเรือนี้ก็เป็นโบหะในการสอนเพื่อ น, นําไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างเดียวกันลักษณะการไม่อดทนต่ออารมณ์นั้น ถ้าเรามองแล้วคล้ายๆกับว่าจะเป็นคนกล้าหาญนี่เองเช่นว่ามีคนทำอะไรไม่เหมาะสมมาก็โต้อตอบทันทีทันควนับางครั้งก็พูดมาคำเดียวด่าต่อไปสามคำแสดงว่ากล้าหาญมากนั่นคือมองจากสายโลกก็จะเป็นอย่างนั้นแต่จะมองจากสายธรรมแสดงถึงว่าเป็นคนขาดคือพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลส กิเลสบังคับให้โตอตอบกิเลสบังคับให้ดา่ากิเลสบังคับให้ประหานประหารแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงในเจึงพฤติกรรมของบุคคลว่าเวรของบุคคลที่ไปคิดว่าคนนั้นได้ด่าเราคนนั้นได้ประทุษร้ายเราคนนั้นได้ประหารเราเวรก็เขาจะไม่ระ ง, งับเลย แต่เมื่อเมื่อใดบุคคลไม่ได้ใส่ใจว่าคนนั้นดา่าเราคนนั้นปราหารเราคนนั้นประทุษร้ายเราเวรก็ขอก็จะสงบไปครับนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าจิตใจของบุคคลมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งไม่อ่อนไหวต่ออํานาจของอารมณ์ที่มากระทบแล้วเพิ่มกิเลสือหมายความว่าอารมณ์ที่มากระทบแล้วเพิ่มกิเลสนั่นเอง เป็นตัวการสําคัญที่สร้างความพ่ายแพ้ในด้านต่างๆให้เกิดขึ้นแก่บุคคลบุคคลก็จะกลายเป็นตัวของตัวเองอย่างน้อยก็คงที่อยู่ได้นานๆทําความดีคงที่อยู่ได้นานๆพูดดีคงที่อยู่ได้นานๆรู้จิตใจรักษาความดีอยู่ได้นานๆประสืบสาวไปจริงๆก็อยู่ที่จิตใจซึ่งรักษาความดีอยู่ได้นานๆการไม่อดทนต่ออารมณ์ ที่มากระทบมองแล้วคล้ายๆกล้าหารในวหารของชาวโลกแต่มองจากธรรมะแล้วคือความขาดใ่้แพ้ต่ออำนาจของกิจแต่นั้นจึงทรงสอนในอดทนผู้ที่อดทนได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหารทีนี้ตัวการใหญ่จริงๆที่จะก่อให้เกิดเป็นความกล้าหารหรือไม่กล้าหารนั้น ในที่นี้ท่านก็เน้นไปในผลในเหตุที่เป็นผลด้วยคือหมายความว่าความเป็นผู้ไม่ใคร่ในกามทั้งหลายเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าและพระริจ้าทั้งหลายกรรมกรรมนั้นท่านก็เน้นไปในสองทางทางหนึ่งเรียกว่าวัตถุกรมคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่หรือวัตถุเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ซึ่งก็ไม่อื่นไปจาก สิ่งที่บุคคลได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยดินถูกต้องด้วยกายและแม้แต่เนียบนึกด้วยใจเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นวัตถุ ก, การแปลว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่หรือให้เกิดความใคร่แต่ปัญหาว่าให้เกิดแก่ใครเกิดแก่ใจของบุคคลซึ่งมีกิเลสการเท่านั้นไม่ได้เกิดสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลาย ดังนั้นกามจึงหมายถึงกิเลสกามที่แปลว่ากิเลสเป็นเหตุให้คลายด้วยในที่นี้ท่านก็เน้นไปในกิเลสสายโลภะอาจจะเป็นความยินดีความพอใจความรอบใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเพ่งเล็งโลภจากได้ความละโมบอะไรก็แล้วแต่จะเรียกการเรียกชื่อที่หลากหลายออกไปนั้นเป็นการเรียกตามความรุนแรงของกิเลสต่นั้นเอง เพื่อให้บุคคลมองเห็นภาพหรือสัมผัส ด, ด้วยใจข้างตนได้ว่าอาการก็กิเลสในลักษณะนั้นๆมีความเสียดแทงมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงไครแต่เมื่อก่กลุ่มกันไปก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มของโลภะหรือกลุ่มของราคะนั่นเองพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ไปตัดวัตถุ ก, การ วัตถุกรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติไม่ใครจะไปทําลายก็ไม่ได้พระตะกินไปทําลายมันก็เป็นอธินาทานถ้าเป็นวัตถุกรรมของบุคคลอื่นแต่เป็นวัตถุกรกรมของเราถ้าไปทําลายก็ทําให้เสียของวิธีการของพระพุทธศาสนาพึงสังเกตว่าในชั้นศีลวัตถุกรรมของบุคคลอื่นก็ไม่ละเมิดในวัตถุกรรมเหล่านั้น แต่การไม่ละเมิดนั้นจะแบ่งเป็นชั้นๆชั้นหยาบก็คือไม่ลักไม่ขโมยชั้นที่สองไม่ทำให้บุบสลายหรือเสื่อมเสียจะต้องลูกครามเป็นต้นด้วยจิตคิดอยากได้และคิดที่จะได้สีลสำหรับชาวบ้านไม่ขาดสีลแต่สาหรับพระเป็นอบัติเพราะเป็นสีลที่ประนีตขึ้นไปและจนถึงกับไม่ละโมบโลภอยากได้ของของเขา เราจะเห็นว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเปไม่ไม่ไปทาลายพวกวัตถุกรรมเ่านันแต่พอวัตถุกรรมของเราเองเช่นมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเป็นอันมากวัตถุปัจจัยอยู่เป็นอันมากเราก็ใช้วิธีลดกิเลสด้วยการเสียสละเพื่อเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลอื่นนั่นคือชั้นของศิลธรรม พึงสังเกตว่าสายหนึ่งนั้นจะไม่เพิ่มกิเลสสหรับวัตถุกรรมของคนอื่นสมบบรับวัตถุกรรมของเราให้ลดกิเลสโดยการเสียสละเอือเฟื้อเผื่อแผ่ จ, จาใจแก่บุคคลอื่นในรูปของทานลไม่แต่วัตถุกรรมของบุคคลอื่นก็ใช้ในชั้นของศีลละไมกับภาวนาใหม่เป็นการคุ้มครองจิตใจของบุคคล <c oughs> ของตนเองให้สวัสดีทั้งสองด้าน มาความว่ากิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วก็ลดละบันเทาลงไปซึ่งก็อยู่ในสูตรเดิมนั่นเองเรียกว่าปะหะณะกับภาวนาคือละบาปบำเป็นบุญหรือละชั่วประพฤติดีแต่วัตถุกรรมนั่นเองในชั้นของธรรมะจะไปใช้อีกแนวหนึ่งคือการพยายามมองวัตถุกรรมในแง่ที่มันเป็นจริง จะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายเดิมนั่นเองเพื่อเป้าหมายในการผ่อนคลายลดละความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในวัตถุกรรมหล่านั้นเพราะอารมณ์องกรรมฐานทั้งหลายจะมีการเน้นไปในเรื่องเหล่านี้ใช้วัตถุกรรมนั้นเองเอจะเป็นของใครจะเป็นอะไรก็ตามที่จริงมันก็เป็นวัตถุกรรมท่านั้น ให้มองเข้าถึงความจริงสองชั้นชั้นหนึ่งให้ใจสงบอยู่กับเรื่องดอกนั้นนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเราก็คงใช้รูปใช้เสียงใช้กลิ่นใช้รสนั่นเองก็โลกเราเป็นโลกของสัมผัสจะแปล อ, อยังอื่นมาใช้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวใช้รูปในแง่ทำใจให้สงบใช้เสียงในแง่ทำใจใสงบใช้กลิ่นในแง่ทำใจสงบใช้รสในแง่ของการทำใจให้สงบ เช่นพวกกรรมฐ า, านประเภทที่เราเรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือการกำหนดหมายดูความปฏิกูลของอาหารจริงมันก็สัมผัสรถแต่ว่าใช้ปัญญาใช้สติเข้าไประลึกรู้ถึงอาหารเหล่านั้นถ่ายถอนความกำหนัดในอาหารเหล่านั้นใช้สัมผัสคือสิ่งที่ตนจับต้องในแง่ที่ให้เกิดความสงบเช่นพวกอารมณ์กสินต่างๆ ก็เป็นวตัตถุเป็นชิ้นเป็นอันเราจะต้องได้ถูกต้องได้เพอชั้นก็กรรมฐานเราก็ใช้มองให้เกิดจิตสงบพอมาถึงชั้นวิปัสสนากรรมฐานมองชั้นนี้เผนสังเกตว่ามองทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันคือวัตถุกรรมที่เป็นของเราก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ที่เป็นของคนอื่นก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ ตัวอย่างที่หยาบๆก็คือการมองในแนววินหศปัจจุบันขนะดังที่สวดพาทยายกันนั่นเองกายของเราก็เป็นวัตถุกรรมของเรากายของบุคคลอื่นก็เป็นวัตถุกรรมอาจจะเป็นวัตถุกรรมของเราได้ถ้าใจไปเกิดกำนัดรักใครยินดีข้าวถึงชงั้นอารมณ์ของกรรมฐานก็ให้ใช้ไปในแนวเดียวเช่นมองคนอื่นตายก็น้อมก็มาหาเรา ว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ไยถามว่าเป้าหมายไปอยู่ที่ไหนไมันก็เป็นลดละ ก, กิเลสเหมือนเดิมแต่ลดในลักษณะที่ประณีตลงไปอีกกิเลสละเอียดขึ้นก็ต้องลดในส่วนที่ละเอียดปณนในชั้นของวิปัสสนาเราก็คงใช้อสิ่งที่ชาวโลกเรียกวัตถุกรรมอย่างเด่น เข้าไปพิจารณายกจะให้เห็นตามความเป็นจริ ง, จ, งจนสามารถปรงตกได้ในอารมณ์ทั้งหลายโดยมาเข้าใจถึงความจริงทั้งส่วนของรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพื่อเพลินจินตีอย่างบทที่เราสดาวดทรรมวัตเช้าแต่จริงมันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่ไอพิจพิจารณาเ็นวารูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยง รูปนั้นก็คือส่วนที่เป็นรูปธรรมเวทนานิจารเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญานิจารสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขารานิจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณนางอนิจจงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็คือนามขันสรุปว่าทั้งนามขันและทั้งรูปขันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นที่จริงก็เป็นวัตถุกรม แต่เราก็มองในแนวของวิปัสสนาทายถอนกามออกไปแล้วผลสุดยอดก็อยู่ที่ว่าแม้จะเกี่ยวข้องด้วยวัตถุการมทั้งหลายแต่เป็นผู้ไม่มีความใคร่ในวัตถุกรมเหล่านั้นเป็นคุณสมบัติของพระริยาเจ้าถึงพระเจ้าทรงอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนก็ดอกโบว์ที่เกิดภายในโครนตมชุ่มแช่อยู่กับโครนตม อยู่ในน้ำอาศัยน้ำละยกตนขึ้นพ้นจากน้ำทั้งๆที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำแต่ไม่แปดเบื้อนดยน้ำจิตใจของบุคคลในการปฏิบัติพัฒนาจิตมก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นความเพียรพยายามจะก้าวรุดไปข้างหน้าโดยดําดับ จนสามารถอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งแวดล้อมไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ใจของตนเองได้คำนองคล้ายๆกับว่าใครอาจจะชวนเราไปในห้างสปปรรพสินค้าดูได้สารพัดแต่ไม่อยากได้แม้จะมีสตางค์ก็ไม่อยากได้อะไรชั้นหยาบลงไปกว่านั้นแม้ไม่มีสตางค์ก็ไม่คิดที่จะรัก นี่แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือชั้นหยาบไปเห็นแล้วแม้ไม่มีสตางค์ก็ไม่คิดจะรักชั้นสูงกันไปกว่านั้นแม้มีสตางค์ก็ไม่คิดจะซื้อไม่คิดจะได้ในชั้นก็ความประณีตของจิตเราจะเห็นว่าชั้นที่สองประณีตกว่าแล้วขึ้นไปถึงไม่มีความคิดแม้แต่จะไปดู เป็นความประนีตของจิตที่ขึ้นไปโดยลำดับนั่นเองคาลักษณะทางอารมณ์เช่นนี้เป็นผลที่เกิดสืบเนื่องมาจากจิตที่ลดละบันเทาตัณหาลงไปถ้ามีการลดละบันเทาตัณหาลงไปมันก็เคลื่อนไหวออกมาในลักษณะอย่างนั้นคือจะไม่มีความใคร่ในวัตถุการมทั้งหลายอย่างน้อยก็ในระดับใดระดับหนึ่งจะมีความกระหาร กระหารเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจใครสมบัติได้ในชั้นใดก็ตามชื่อว่าได้ดำเนินตนตามรอยบาททุกคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเดินทางที่ถูกตรงสมบูรทธ菩าสนิทชนทั้งหลายต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป